พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22เมษายน2560ในมีชื่อเรื่องว่าแตกสามัคคีตายสามัคคาลูกหลานอยู่ในความสงบมีอย่างหลวงพ่อจิวบอย่างให้ฟัง หลวงพ่อวอาเป็นภาษากลางมาหลายมือแหละบัดนี้หลวงพ่อจะบอาเป็นภาษาพื้นบ้านให้พวกเ้าได้ฟังเมื่อในเป็นวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2560เมื่อในพระทั้งพระทั้งเนตในวัดของเข้า74ลูปนั้นลูกหลานคณะทัศน์ญาติโยมที่ได้บอกประกาศ กล่าวไปเนกับเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบว่าพระสงฆ์สัมมาเนมมารวมมาช่วยงานวัดของเขาเนี่มีเท่าไรพวกเขาจะได้กะคำนวณถูกโดยเฉพาะอย่างเง่งเรื่องอาหารการบริโภคหรือว่าเพศัตว ที่จะถวายเพินหลวงพ่อบอกไปมีความหมายนะั้นลูกหลานนะหลวงพ่อก็จะได้หูจักกันเพราะรายงานของปลาที่เพินรายงานให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบเป็นมือมือแล้วก็มือนี่เป็นวันที่ยี่สิบสองแล้ววันที่ยี่สิบหกก็เป็นมือเลิ่มงานของพวกเฮาวันที่ยี่สิบหกตอนเย็น จะมีการร่วมกันและก็มีการทําพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ในวัดของเฮานะลูกหลานแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นกับเหมือนหลวงพอ่อเนี่ยไซอึกไซใจในวันเกิดของเจ้าของแต่ตอบตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเดี๋ยวใจเรื่องของเจ้าของไซ ใ, ใจของพูธีมาพูธีมา มือนั่นอ่ะหลวงพ่อใจใจลูกหลานผู้ที่มากงานมือนั่นอ่ะหลวงพ่อเนี่ยได้กำชับพวกคณะทัทธาญาตโนมผู้ที่อยู่ในวัดของเฮาเนี่ช่วยช่วยกันดูช่วยกันแลกช่วยกันดูขันข้ามขวาดขาดตกบกพ่องเพอาะมึงคนจะมีมูมาก แต่เห็ุอย่างไรหลวงพ่อยิ่งว่าจะวางมูมากหลวงพอก็เปรียบเทียบเหมือนปีที่แล้วปีขนกอนนั่นแหละปีขน ก, กอน ก, กับข้นกร็ระายปีที่แล้วเนี่ยข้นกระไลปีนี้กับงขนก็คงจะหลายคือเกาก็มั่งอาจจะกว่าเกาก็ได้พอให้ได้ยังวกกว่าเก้าพอว่าศรัทธา ญ, ญาติโนมลูกหลานที่เคยมากหูจักมักคุนก็บอกว่าหลุกปีนี้หลวงพ่อ อายุเจ็ดสิบสองปีได้เห็นคนพวกเข้าลูกหลานคงจะไปได้ยินว่าตุงพ่อก็ได้ยินได้ยินอลูกหลานเขาพูดพูดกันมานไปลุงพ่อก็หลงปีนี้อาจจะมีลูกหลานอาจจะเพิ่มขึ้นมากมากั่งนะลูกพอก่อคิดเท่านั้นแหละแต่เมือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเ็ดพุทธละว่าคุกพี่นองลูกหลานจีมามาก น่อยแค่ไหนแต่ถึงอย่างไนก็ตามปูกเข้าจิตอยูอ่กับโลงพออยู่ในวัดกาชยช่วยกันดูนี่แหละโลงพอก็มาตะเวนอยู่ในเมือว่านมาดูความพร้อมประเต็นของเขามีเท่าไหร่น้ำไฟเมีเ่ยงพ่อโบออพี่ลาพี่นอ้องไปใช้ชนมากอุปกรณ์ สิ่งต่างๆแทที่จะอำนวยความสะดวกตลอดถึงห้องน้ำห้องตาที่พักผ้าอาซัยเบิงเบิงกันเน้อที่จอดรถจอดล่าหลงพอเขาบอกจกะก้ะล่ะ ก, กรู้ซึกวั่าลูกหลานใค่ความใส่ใจทุกขู่ทุกคนเห็นอบอุ่นพนั้นคอยพวกลูกหลานทั้งหลายช่วยๆกันเบิงบอกยี่หมื่อมันก็นแล้วละ แต่ก็พระครูบาอาจารย์น้องน้งลูกหลานทั้งหลายที่เขามากตทั้งหมดเจ็ดสิบองค์เนี่นี่ะเขามากเพื่อดูแลความพร้อมอของงานเพื่อมาช่วยงานหลวงพอ่อหลวงพ่อได้เห็นแล้วก็เออขอบขอบใจลูกหลานทุกข์ทุกคนพระเน้นแต่ว่าถึงยัไไดก็ตามการมาทำงานน้ำกันการยูน้ำกัน การทำงานร่วมการหลายๆคนก็ให้ระมัดระวังยังทีหลวงพ่อคยพูดเคยพู ด, เ ค, พดเคยกล่าวคยบอกไวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังว่าจ๋าให้ระวังขําพูดอันนี้ก็ให้ระวังการอยู่น้ากันหลายหลายคนการพูดกันแนะกแนะันแอการการพูดที่ ยอกรอเล่นกันผลที่ชดก็เลยทำให้ทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายสิ่งเราเนี่อยากให้พวกเข้าทุกข์ทุกคนนะ่ะที่ได้ยินเสียงงพอนะ่ะให้นำไปคิดไวให้ถ้าผู้ใดปากให้ไหวปากบอกง่ายๆก็เห็นลำว่างสำรวมระวังปากของเจ้าของไอ้จอมเมรที่หลวมปากกระบาไปเลยก็ททำให้ทาผู้อื่นเครื่องในจิตในใจ ถึงจะวาออกมามันกัเครื่องเครื่องไม่ใจเครื่องหลายเถือหลายเถือตะหลายหุ่นหลายขั้งก็ทําให้พ่งพางออกมากระทำให้ทะเลาะพิวาดกันได้ง่ายเพราะนั่นการทำารํำงานรวมกันมันต้องระมัดระวังไผมีนาที่ยัง้งหมอบหมายให้ทํางานยั้งก็ทําให้ดีโบกีหมือกี่วันมันก็เสร็จไปแล้ว จากนั่นมากกจะได้ห่างเหินกันไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแต่ละวัดแต่ละสำนักแต่ละแห่งละหนนี่แหละเอ้าก็สบายใจได้มาซอยงานหลวงพอเอ้วก็ได้กลับไปแต่บำเพ็ญคุณงามความดีของเจ้าของแต่าว่าเฮ้ามาทำงานแล้วมีเหลืองมีเล่าทะเลาะวิวาดกัน กลับไปแล้วมันก็ขุนในจิตในใจได้บอดีท่านเป็นท่านมันบอดีมันขุนในจิตในใจจิตใจขุนมัวจิตใจโปร่งใสบ่เป็นบุญบ่เป็นกุศลเพราะนะ่ะสิ่งทั้งเราเนี่ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะต้องให้เบิ้งจบของในปัจจุบันดูในปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยสิ่งไหนที่มันบอดียาทำ ยาพูดในสิ่งที่มันบ่ดีเนะขาจนคอยพวกเข้านะลูกหลานทุกขูทุกคนนะอันนี้กันล้วนแล้วจะเป็นการสางบุญสางกุศลใสจิตใสใจของเจ้าของทั้งหมัด น, นะนการทำงานโยธาทำงานร่วมกันโบแมนแต่งานนี่งานเดียวนะเมแมนแต่งานหลวงพงงานเดียวกานไปใไดๆก็ตามพวกเข้าไปไปงานร่วมงานใจกันะ ให้มีนำจิตนำใจการยู้ด้วยกันมนุษย์ชาติยู้ด้วยกันต้องอยู้ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีเอออย่าไปหาโดดเด่นแต่เจ้าของผู้เดียวไปหาโดดเด่นเจ้าของนะ่อยเหยียบมูเหยียบเพื่อนอ่า น, นบอดีบทเรีนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องไปด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในหมูในคณะในพักในพวก ผลยังเบาในขังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทะเลาะกันมีอยู่ได้วยขนาดพระสงฆ์ใ น, ร พ, น, ร น, นพระพุทธเจ้ายังเป็นประธานสงอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้ายังเป็นประธานสงอยู่พระสงฆ์อยู่ในโอวาทออย่างดีหลยจังลูงพ่อเป็นหัวหน้าวัดจังดีล่ะลูกนองจับจับกลุ่มกัแตกกันเป็นสองฝ่ายบ้านนี่ะ พระพุทธเจ้าหามจะไดนก็บอฟังมาทิธิมันโมเมน่มธรรมดาเลยความเห็นเอ้ยเฮ้เฮ้มันโมแมนส์ทูเจ้าจะไปหาทะเลาะกันให้ฮักกันเอาไว้ก็แมนหลวงพ่ออินกับเว่าทูเจ้ามาถึงลอยปีกระตายเราจะไปหาเกลียดไปหาโกรธไปหาทะเลาะกันให้ยังอืทะเลาะกันให้โงอให้ยังฮะพระพุทธเจ้าพระเกยเจวาจังสันล่ะก็บอฟังว่าไปว่าเจ้าของเป็นผู้หูผู้ฉลาด บาดเปลืองเป็นผู้มีอำนาจวาทนาะมีบริวารแล้วก็ละหาลอยคนนี้่มันธรรมดาเลยเลูกน้องอยูอ่นในโอวัตบอย่อมพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระพุทธเจ้าขึ้นต่อพระพุทธเจ้าคือกัรนั้ น, นแหละว่าอทั้งหาลอยก็ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าเหมือนแต่บอลงไปอบอลงพระพุทธเจ้าสอนอพระพุทธเจ้ายาไปทะเลาะกัน่ะ พระสงฆ์เหล่านั้นก็ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าอ่ะขอพระองค์ขอให้พระองค์อยู่โดยพระเกษมสําร้านะำไมเรื่องทะเลาะกันเป็นนาที่ของพวกผมสิหําหันกันเองทำไพวกผมจิตใจว่าธาสัตว์กันเองพระองค์จงอยู่โดยพระเกษมสําลานไม่ใชพระเกษมสํารานไหนจังไรถูกน้องทะเลาะกันแมนบอด่ะคือกันกระลูกในบ้านพลอยแม่โ ย, ยสไว้ๆหรอ ผมที่จัดการกันเองนี่อแล้วพอแม่ทิ่สบายได้จังไหนมันบวชลูกมันจะหำพันกันนะอันนี้คือกันะลูกจิบลูกหาทะเลาะกันกู้บาอาจารย์ที่อยู่ด้วยความชุขสบายมันเป็นไปบ่ได้นะอันนี้คือกันพระพุทธเจ้าเพิ่งหามแล้วห้ามอีกจนหนีจากวัดเพิ่งกระไดบวมันธรรมดาเลยพระพุทธเจ้าหนีออกจากวัดพไป ออยู่ในกุงโกสัมพีเมืองนะที่เปื้นทะเลาะกันข้านะั่นหนีไปอยู่อยู่กับสร้างปลาเล่ไล่อยู่ในป่า ก, กับกลิ้ง น, ะนี่แหละพกเข้าไปเห็น เ, เห็นพระพุทธเจ้านางก่อนขี่เห็นนะย้อนขาลงนะ่ะย้อนพระผักล้มนะแล้วก็มีสร้างยืนกระบอกนา้าแล้วก็มีเลิ่งถือห้างผึ่งนี่แหละอันั้ น, น, นพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่านะบอกมีผู้ใดไปนั่มเลยไป ไปอยู่ในป่าสามเดือนไปบินทบาตมากเลวก็สร้างเป็นภูดูแร่เรี่งเป็นภูอุปถากต์มันเอาไปย่งมีสร้างมีลิี่ยงอยู่สามเดือนนี่แหละข้าวนั่นนะที่พระพุทธเจ้าเพ้นไปอยู่ในปา่บาบ้านในก้อนเพิ้นจะไปในปา่าพิ้นกระเบาได้บ้านี้เพ้นไปพบก่อนที่จะเดินเข้าในปา่าป่าเล่ย์เล่ย์พ้นไปพบเดินทางไปไปเห็นไปพบ พระอนุรุทธะกิมพริวัคคุผทยะพระสามสี่องค์ที่เป็นที่บวชพร้อมกันกับพระอนุน์นะเพิ่นไปอยู่อีกหม่องหนึ่งวันเราไปคลายก้อนหมองทางพานไปนั่นะอย่างหลวงพอ่อจีพานไปเมืองอุดรนะกนเพิ่นอยู่แถวบันผือลกักษณะอสัญ่ะเป็นอยู่ในทางพานเพิ่น พราะพระเเจ้าก็เลยแหวะเิ็นไปผู้เดียวนะพระเทเจ้าไปผู้เดียวแหวะแหวะไปเยี่ยมพระเป็นก็มาบนบานพระเทเจ้าก็บนเป็นคช่กันเด้โอ้ยสันพระอยู่ในกรุงโกสัมพีเนี่ยเฮาห้ามวให้ทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันนั่นเฮาจะหนีมานี่แหละแต่ลักษณะอันสันละกันไปพระพุทธเจ้าเบื่อลูกซิตตัวนึ่งไปอพ่อมป็นี้ พ่อไปแวะหอดผ้าน่ยเป่นกว่าการทะเลาะกันมันบอดีนะการยุ่เร่อกันด้วยความพ่องเพียงสามัคคีกันดีกว่าหักกันไว้มีอย่างกคยเด็ดพึ่งผ้าอาศัยกันขั้นแตกสามัคคีกันนะมีแต่ชีบหายเนวมันจีบหายบอมันจิบหายทั้งฝ่ายเดียวีบหายทั้งสองฝ่ายการทะเลาะวิวาทกันเพราะถ้าได้หักกันไว้ดีกว่าพระ อนุรุทธากิมภริวคัคคุพันธ์ก่อนมันความว่าจิบหายคําเนี่ยคืออย่างหน่อพระเจ้าข่ามันเคยมีมาแล้วในอดีตการในอดีตการมันเคยมีมาแล้วความทะเลาะวิวาดกันมันจิบหายทั้งสองฝ่ายแม่เลื่องอย่างหนอพระเจ้าข่าที่ว่าทะเลาะกันและจิบหายทั้งสองฝ่ายพวกเธออยากจะฟังเหรอพระเจ้าข่าประพุ พระธอษฐ์พระพุทธเจ้าภายในวันในอดีตการที่ผ่านมาโน้มน้าวแล้วสมัยนั้นมีนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่งนกกระจาบนกกระจิบนกกระจาบนกกระจาบเห็นมั้งเป็นฝูงๆเนี่ยมั้งไปหากินตามทุงหยาไปหากินตามทงหน้าทงยานกกระจาบพูงในงมีจาฝูงอยู่ตัวหนึ่งแต่จาฝูงตัวนี้พ่อ ที่ผ้างูไปมันก็เจ้าห้องเจี๊บจ้ามันก็พวกงูก็ได้ยินแล้วมันไปเพราะได้ยินถึงแปลว่าไปเฮานะลาักษณะนกกระจาบตันี้ก็บินเพิง่งขึ้นก้อนนกหัวหนานะ่ยนกแตกตั้งลายก็แตกเฮอ่นำากนบินไปตามอาพอมันเจะลงหากินล้านหยาทงหน้ามันก็ห้องเจี๊บจ้ามันก็ลงอีกพอมันลงเือนเฮิอ <c oughs> ลงไป อแต่นี่นกตัวนี้มันฉลาดเลยนกหัวหนาเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้เวเวลาเฮาไปหากินในทุงยาเนี่ยอบางที่อาจจะถูกตาคายนะบางแห่งมันมีตาคายนะอ้ันมีตาคายเยาายลวลาเฮาไปกินป๊บมันตาคายมันจะสับเวิบมาถ่วมเฮามากขวมพวกเฮาเพร า, ากขวมพวกเฮาเลยไถฟังผมนะ ผมจะประกาศให้บินพองกันผมท่าลงเพาะท่าหางว่าผมบอกว่าบินเนี่ยก็ให้บินพองกันไนดะ้แ น, น, น, นนะ่แต่ฟังผมนะนกกระจาบจ้าฝูงว่าสกตั้งยก็ฟังเอาไปมันมีหัวหนา้จาจ้าฝูงผู้เดียวเด้พอต่อมาเน้ยก็นนายผ่านก็ไปดักอิลียานะไปลักดักตะไคร้ใส่นกมู้นนะ่ะ พ่อนกตัวหนึ่งเิรบลงไปก็นกตาคายก็บินตาคายก็เอาก็ซักตาคายแล้วนั่ไปพ่อซักตาคายโปกหนกหัวหนามก็ซสั่งเอาพวกเหลาบินมันก็ขึ้นพ่อมกันเหมืนนกเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเฮิรบขึ้นไปหวมันกรดันตาคายขึ้นไปพ่อขึ้นไปหอดไปมาปลายไหม่ช่มสูงเออมันก็ไปข้างใช้ปลายใหม่ต่างคนต่างหมดอมาบาดเ นายผ่านนกหรือพุ่นล่ตตาานะต า, าตาคายเนี่เสียไปจับสักใดออกไปนกนกนกอัลตาคายเนี่ผ้าหอ่อขึ้นทั้งต้นปลายใหม่ออกไปนายผ่านกับปีนขึ้นปลายใหม่บ่ไรถ้ามันสูงมันบ่ละเอแต่พ ย, พยายามนายผ่านนี่ก็พยายามอยู่ตลอดไปสจับนกอนกฝูงอื่นก็คงจะจับได้บงังแต่ฝูงใหญ่เนี่ยมันจับบ่ไรมันจับเท่าออกไป ก็มันเป็นอย่างหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินหนอยมัดตีนตะคายไประค่างเนึ่ยมันว่ามันบินขึ้นไปไมันจะบินได้ยังไงมันบอกล่ะอันนี้ในผ่านคือสิเสื่ออยู่มัง้งว่าอันนี่ต่อมาอีกนกฟูงนั่นแตกกันบ้านเนี้ยแตกสมัครขี้กันวันนไปเอาร่ อ, องหัวหนา้าอยากเป็นหัวหนาว้ามันนั้นไปเนี่บ่ร่องร้อยโอ้ยเบิ่งฟังพวกนั้ยหัวหน้าได้เห็นแก่ตัวพวกนั้นเลยโอ้เวลา พี่ลลงไปก็ลงไปเบนล่องพอลงไปบางตัวว่ท่านได้กินหอดอาหารว่ท่านได้กินหอดเหงื่อก็บอกเอาบิน้นแม่นแล้วตัวกินอีมลงไปก่อนแต่มูเนี่ยท่นได้กินบินขึ้นมาแล้วสแสดงว่าหัวหน้าเนี่ยว่ได้เบิ้งให้หลอกคอบเห็นแก่ตัวมากผมว่าไพาเห็นด้วยแน่ไอ้พวกเชื่อๆทั้งหลายก็เอ้าเห็นด้วยแล้ว พวกเื่อเซ่อเซาผูกบังที่เนี่ยมูกินเขาแล้วเกือบใช้แล้วตัวเองฮะกันไปล่างมือโดยได้โดยได้ไปหาคุยกันอีกต่างหากใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันก็ะซาดเสิเนี่มูเขกินผัแห้งน่ยตัวเองไอ้เนี่ไปหาล่างมืออยู่ยังไปหาคุยกันอีกต่างหากเราจมหาว่บมูมูบวถาเจ้าของเนี่จทาได้จากไหนเพราะตัวเองมันซาไม่เป็นเวลาเนี่นี่แหะมันบเบังเจ้าของนะสุกจะแลบสรุปแล้วกอนกมู้นน่ะนกที่มัน แต่สมาครีย์มันโมเบิงเจ้าของกันไปมันมันเบิงแต่ผู้อื่นว่าจบผู้อื่นเอารัดเอาเปียบเจ้าของพอในโซลดก็เลยนกโมนเนก็จับเป็นสองฝ่ายแล้วบาทเนี่ยฝ่ายหัวหน้ากับฝ่ายลูกน่องกันไปเออทั้งหัวหน้านี่ก็เป็นพระโพธิษัตว์เยอบยบัวใรแล้วขั้นกีขืนอยู่ก็พวกทะเลาะ ก, กันเลยแน่เด็กก็ถือขั่นขากันตายแน่แน่เลย หัวหนาแล้วก็ลบหนีคนไปเอลบหนีจะฝูงแล้วไปบานนี้ล่องหัวหนาทั้งมันมีสองล่อง เ, ยเอยล่องหนึ่งเป็นกลุ่มหัวหนาร่องหนึ่งเป็นกลุ่มแตกแตกออกจากหัวหนาลงไปบานนี้มัน ม, มีสองกลุ่มปะทะเลาะ ก, กันอีกอย่างเก่าลงไปแต่หัวหนานี้และเดะปู่พธอที่สัตว์นี่นี่แหละอต่อมานี่ก็ไปบินอีกล่องกันก็นล่องหัวหนานเนี่ยเป็นหน้าท่ำนาที่แท่นลงไป พ่อต่อมาเนี่ยครับลงไปกินในล้านหยานเล้วะเนี่ยพ่อไปกินในล้านหยานพ ไ, ไปทะเลาะ ก, กันอะไรทะเลาะ ก, กันเนี่ยในล้านหยาพอตะคายมันฮบเพึบไม่อีกร้อไปพ่อตะคายมโหบวะเนี่ยไอ้พวกที่ล่องหัวนาเก่านี่ก็บอกเอาพวกเราบินมันบินครงเดียวมันบกขืนได้ปาเนี่ยเออ พวกไอ้ฝักที่ไฟตอตานนี่ยบอกว่าไฟข้าเนี่ยยาบินเฮาเพไหนคำมันเก่งคำมันบินลดมาพวกด้้นไฟเนี่ยก็บินบ่อขึ้นตะกอนมันบินพร้อมมูกับมันขึ้นเลยตาคายขึ้นทั้งฟ่าได้่อนไปแต่วันนี้บินเครงเดียวมันนับมันกาลังมันบ่พอเอมันแบกนํานักบ่ได้พอพอดมดแหงบ่ไหนพอเมดแหงไอ้พวกที่ไฟข้าเนี่กั อวพวกเข้าบินพวกนั้นบ่กเป็นตาซากคนนี้บอกเป็นตาทามันเป็นตาซากบอกเกง่งเ้าบินห้ยบินกับบกขืนคือเกานะ่าะกมันร่งบพ่พ่อเเอีกยค่งเถียงกันอยู่หันจีบจ้าบจีบจ้าเนพอดีนายผ่านมาหอดพอดีเอยพอนายผ่านมาหอดก็แสนายผ่านก็ถืออยู่ในเมื่อก็หดหดหดเตีฆ่ากลงรถแล้วเรา อแสไม่ไพ้ยาวๆโว้ยตัวไหมันขยกมาได้ก็ตีมังหันมาได้ก็ตีเอาไปมัด น, นกกระจาบฝูงนั่นก็เลยไน่พ่านก็ลเลยไปถอนขนลงหมอกระทาเป็นอาหารโอชะของไน่พ่านมัดบะมีตัวเก่งบะหมีตัวบาเก่งมันไปเพราะมันทะเลาะกันมันละไปไน่พ่านเป็นผู้ลงโทษมันละไปอย่าทะเลาะกัน สูรทะเลาะกันมาเป็นอาหารของกูทั้งหมัดนะมันทะเลาะกันนะในพ่านคงจะวาจังซันมาแต่ในพ่านกระบุ้งหเจ้ามันทะเลาะกันนะว อ, อนี่แหละในท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านว่าการทะเลาะวิวาทกันทําให้แตกแยกในหมู่ในเพื่อนจิบหายทั้งสองฝ่ายบม่มีไฟได้แผ่บ่มีไฟได้ชนะมันจีบหายทั้งสองฝ่ายการบิ่ง หาว่ามีความผอมเพียงสามัคคีกันน่ะดีกว่าเมีความผอมเพียงสามัคคีกันซอยกันเหตุซอยกันจัดซอยกันทำมีความผอมเพียงสามัคคีกันน่ะดีขนาว่ามีแต่สักแยกสามัคคีกันเนื้อสันจิ้บหายเหมือนกระนกกระจาบฟู้งนั่นแหละบ่มีบดไดแพร่บ่มีไผชนะตายน้ำกันทั้งสองฝ่าย แล้ว่าการอิจฉากันก็เหมือนกัดป่านนี้เพิ่งจะต่อไปอีกได้ป่าการอิจฉากันเนี่ยการปริบารกันการอิจฉากันนกระจีบหายทั้งสองฝ่ายขึ้นกันมันมีมาแล้วในอดีตการพระอนุรุทธากิมพริวัคคูเป็นเรื่องไหนน้อพระเจ้าข่าในอดีตการที่ว่าความอิจฉากันเนี่ยทำให้จิบหายอพวกเธออยากจะฟังหรือล่า พระเจ้าข้ามีปลาอยู่แห่งหนึ่งมีดงปลาปลาดงอยู่แห่งหนึ่งมีหมีใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในปลาดงนั้นมีหมีใหญ่ตัวนี้มันหากินตามลําพังพ่อไก่ที่แจงนะ้งแล้วก็นอนย่ำ ม, มึงขึ้นก็าหากินแต่มือหนึ่งมันไปหากินมาแหละไกลที่แจ้งแหละมันก็เลยไปนอนอยู่ไต่ห่มไม้สะคอ ไม้สะคอที่เป็นใหม่อย่างว่าเดียวมันต้นสะคอมันตนน้นจระไยวะเนี่ยอ่เพราะว่าไม้สะคอนี่ในบาลีพ่อไปนอนงเดืหันประเี๋งงาไม้สะคอนฮักมันมันงางาแหงมันนอนไปงาแหงฮักมาทูกหัวหมีพ่อดีวันนไปหมีเดี๋ยวก็โมโหขึ้นมาโอ้มันกําลังที่นอนหลับแอ้คนกําลังนอนหลับหรือมีไผ่ไปกอ่อกวัมันโมโหเลย อันนี้มีท่านก็บอกโหยางแห้งไปยาง อ, อกไปเพราะไม้นาไม่ข้อทุบล้นทึงหัวเจ้าของเลยพ อ, อยางไปแล้วบาดเนี่ไปนอดนมองอื่นพอไปอื่นเมื่อไงไม่ต้นเนี่อขั้นกูใดโอกาสมื่อไงกูส้สปั๊มเมื่อแต่แล้วกู้กู้สีปั๊มเมื่อต้นต้นแต่แ้ไม่ต้นนี้กูจสีปั๊มเมื่อแต่แล้วต้นไม่ต้นเนี้ย่านเนี่ยไม้ กิ่งไม้แหงต้นนิวอะรพ่อไปนอนบาเนี่ยพ่อเจ็ดส า, สายขึ้นมาหมดมีเช่าบ้านมากนะเช่าบ้านเขาก็อนี่แหละมีถุงมีเลื่อยมีขวานมีเครื่องทับสัมภาระไพ่ลุ้งตุงนั่งเขามากเขาจะมาหาหาใหม่ห า, า, ห า, าหไหม่เห็ดงอนลดวนไปเห็ดไหม่แอกลดวนไปเกิดขึ้นใหมแอกเกวีนแอกลดนี่แหละเขาจะหาใหม่ มาเขามาหาใหม่ในป่านะเ อ, อ่อมีตั้นเห็นคนพายลุงของไอ้ลุงตรงนั่งมากก็เลยยางเขาไปหาเขาหนึ่ไปเ อ, อ่เ อ, อไปก็พูดเป็นภาษาคนขึ้นมาหนึ่งไปพวกเจ้าไมา่ยังนะ้งออพวกนี้เขาว่ามาหาอยากได้ใหม่ไปเห็ดแอกรถงอนรถแล้วนะโอ้ยเล่าอยู่ในป่าในโดงนี่เออใหม่ต้นไหนแข็งต้นไหนนั่นนะ ขาหูจักทั้งวัดเนี่ยเนี่ยที่จะว่าเรื่องแอกรถแต่องห่อนรถเนี่ยไม่จะไม่ตอนนั้นนะไม่จะขอนะเดี๋ยวตามหลังมากเดี๋ยวฮ่จะไปบอกให้บาดในหมีตอนร็ย้างดุยดุยไปก็ไปิศีใช่ไหมจะคอยอตอนที่เ mm hmm. กียงไม่หักเสียหัวเจ้าของเนาวไปมันโมโหมันผูกพยาบาทเลยมันอาฆาตได้วนันไปอิดฉาบวันไป mm hmm. บาดฮานแล้วก็พวกนี่ก็ บทเครื่องทับสัมภาระอที่จะตัดไม่ตนนั่นแหละบันนี้ลูกค้าเทวดาเนี่ยลูกค้าเทวดาคือเทวดารักษาอยู่ตนตนไม่อไปอยู่ในตนไม่ตนสะโคต้นนั้นนะอบาเดนตัวตาตาตายเขาจะมาตัดบานเท่าตัดประสาทเท่าน่ะตัดเทือนเท่าเลยนี่อาารย์เนี่ยลูกค้าเทวดาว่าอโอ้มันเป็นเพราะมีตัวนี้แล้วอาจารยนี่ยหมีตัวนี้บอกให้พวก ไทบ้านมาตัดบ้านของเห่าปราสาทของเห่าเพื่อนของเห่ากระตามไม่จริงงาไม่แหงบ่เห้มันลน่นลงดินมันจะล่นไปไสมันก็ต้องลน่นลงดินอันนี้มันก็ บ, บังเอิญน่ะมีตัวนี้มันมานอนอยู่นี่ยงาใหม่ลน้นมันโดยบังเอิญเอินจะม า, ากโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจริงจิมันบ่แม่นได้มีตัวนี้สันเอาถ้าข้าว่าขามีโอกาสเมือนี่ยขาจะจัดการกับหมีตัวนี้ไะ ลูกค้าเทวด า, วาบาร์ไปบาร์เนที่ยลุกท้าทเทวดาก็เฝ้าขนของออกจากล่งจากเกลื่อนจากจากบ้านนะเอีเพราะมันมนุษย์เขบอยเห็นนี่ยมันบ่าเป็นเป็นดวงวิญญาณนะ เ, เป็นเทวดานะเนีมันหลงขนออกมากเลยกับพวกแทบ้านเนี่กัโคนต้นใหม่ต้นนั้นล่องะเออต้นใหม่ตนม้ตนนูนแล้วเขามาถากแล้ววาเนะี่ยถากให้เป็นหลูกเป็นล่างพอจงค ว, ลวนละบารนี่ บ้านในลูกค้าเทาวดาอะไรจำแลงตัวเป็นคนบานเนี่ยจําแลงตัวเป็นคนเขาเ้าป่าอะพวกนายช่างมาเห็นยังแนี่ยนช่างก็าบอกโอ้ยมาถากอยากได้แอกรถงอนรถไปใส่ไปใส่รถแล้วนะก็เลยบ้าเขาบ้านในป่าเนี่ยพวกเฮาอยากให้อยางได้แอกรถงอนรถงา่ามหมดแล้วนะโอ้ยก็อยากให้ง่ามนี่ยแล้วนะนในช่างบ้านขั้นอยากให้ง่ามนะ่ะ ในเมื่อประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะี่ยเอาหนังมีนะเอาหนังมีหุ่มว่าจะไหนเอาหนังมีหุ่มงอนหลดโอ้ดั่มเบมงามดีได้อพวกนั้นก็พวกใ น, นช่างก็บว่าที่ได้หนังมีแต่ใสละ่ะอที่หนังมีจึงหุ่มเนียมันงามนะลูกค้าเทวดาก็บอกว่านั่นเอ้ยมีมันนอนอยู่หันเดี ว, ว่าจะได้อมันน้อนเดียวไง ย่องย่องไปก็เอาขวานเนี่ยซับหัวมันลดแล้วอาจารย์เนี่ยก็ลอกเอาหนังมันตัวอาจารย์เอออย่างสันบอกอาจารย์เออพวกเดก็เรี่าแมดอิลีตัวเนียวจาย์อย่งใดงอนลดง่ามก็แมนเนว่ยเนี่ยในช่างในก็เอาถือขวานไปก็ย่องย่องไปค่อยๆย่องย่องพยยามมีตื่นมันบมดละมีมันเกิดได้เปรียกแล้วก็นอนกุ้ยสบายใจลงไปได้อผูกพยาบาทอาฆาต แต่ตัดตนใหม่ที่มันหลน่นซึียหัวเจ้าของเนี่ยสบายใจแล้วนู้ไปบุคคลว่ามัจฉุลาชที่มากทรัพย์กบาลเจ้าของมาแล้วไปพอในส่วนพวกนั้กนก็ย่องย่องกันไปแต่ขวานทรัพย์หัวเร็วแล้วนู้ไปพอทรัพย์หัวก็ทรัพกบไปหัวมีก็จะตายเลยพอตายเลยหลอกหนังพอหลอกหนังเสร็จเลยก็มาพันพันพ่ น, พนใจงอนห ล, ลุดเลยก็หามเขามาบ้าน นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าว่ามีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้ถ้าว่าพวกเธอทั้งหลายจองเวรกันอยู่เพราะฉนั้นอย่าจองเวรกันอย่าทะเลาะกันอย่าจองเวรกันจะสงบร่มเย็นเป็นสุขทุ ก, ท ก, ทกคนนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคํามสอนของพระพุทธเจา้าเพิ่นแนะนําบอกกล่าวว่าการทะเลาะ ก, กันบ่ดีอาจารย์พันว่ะในพวกลูกหลานทาันะ้ทงหลายปลายเถ้าเนทั้งหลายซัดท้ายญาติโยมทั้งหลายฟังฟังเอาไว้นะกติธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไวนะ้นามาคิดนํามาพิจารณาเฮาจะไปทะเลาะ ก, กับพีกับหนองกับปลูกกับล้บลานกับวงสากาญาติกับมิดสหายมันบ่ดีทั้งนั้นนะ่ะ การผูกพยาบาทอาคาดจ้องเว้นกับผู้ใดคือคือกันอย่าไปคืดว่าเข้าชิชนะเขาอย่างเดียวอีกสักมื่นหนึ่งเขาก็จะแก่แขนเท่าคือกันการเอาไปผูกอาคาดเขาให้อภาัยกันไหวดีที่สดุดการอยู่รวมกันการอยู่น้ากัดนะนี่แหละเมือเ่อไหนบอกดีท่านให้ลูกให้หลานได้ฟังเป็นคติตัวอย่างนิท่านที่ลูกพ่อว่าวชาญรกที่ลูกพ่อว่าเนี่ยมาในปัตตปิดกได้ลูกหลานนะมาในปัตติปิดก ที่หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามางยังได้มานำนํามาก้าวมาบอกให้ลูกให้หลานได้ฟังได้ศึกษานะาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อนับพอนในตนีน่านะ